ญท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทํานุบารุงดูแลรักษาใจ ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราเพราะใจเป็นเราเราเป็นใจถ้าเราดูแลรักษาใจก็ถือว่าเราได้ดูแลรักษาตัวเราถ้าเราดูแลร่างกายรักษาร่างกายก็เท่ากับดูแลรักษาคนอื่น เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงร่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วไม่นานร่างกายนี้ก็จะต้องเสื่อมหมดไปแต่ใจของเรานั้นไม่ได้เสื่อมหมดไปกับร่างกายใจของเรา ถ้าได้รับการดูแลรักษาก็จะมีความสุขมีความสบายไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายใจก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใจได้รับการดูแลรักษาด้วยปัจจัยสี่ของใจ ปัจจิปัจใจสี่ของใจคืออะไรก็คือทานซึ่งเปรียบเหมือนอาหารศีลเปรียบเหมือนเสื้อผ้าอภรรสมาธิเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยปัญญาเปรียบเหมือนยารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสี่ของใจดูแลเหมือนกับเรามีปัจจัยสี่ดูแลร่างกาย ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นเราจึงควรดูแลทั้งสองส่วนไปตามหน้าที่ร่างกายเราก็ต้องดูแลเพราะร่างกายยังเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการสร้างปัจจัยสี่ให้แก่ใจนั่นเองถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถทำบุญรักษาศีนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายด้วย mm. เช่นเดียวกับดูแลรักษาใจแต่เราต้องให้น้ำหนักอยู่ที่การดูแลรักษาใจรักษาใจ 90% เซ รักษาร่างกาย 10% ก็พอเพราะร่างกายก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัย4ที่พอเพียงต่อการดำรงชีพและไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆต้องใหญ่โตมโหฬารหลหักของปัจจัยสี่ของพุทธศาสนิกชนก็คือมักน้อยสันโด คือเอาน้อยเอาเท่าที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าก็เอาเพียงพอสวมใส่พอมีเอาไว้สำรองเวลาที่จะต้องเอาชุดที่ใส่แล้วไปซักเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าล้นตู้มีหลายตู้ด้วยกันเวลาใส่ก็ใส่ได้เพียงชุดเดียว เพื่อเหตุที่จะทำให้าต้องให้ทำนักน้อยก็เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปต่อการหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาปัจจัยสี่ให้แก่ใจถ้าเรามัวแต่หาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายอย่างไม่มีขอบเขตเราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาชีวิตของเราก็จะหมดไปกับการหาปัจจัยสีหาเท่าไหร่ก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกับผู้ที่ไม่หามากเพราะร่างกายก็จะได้รับประโยชน์เท่ากัน จะอยู่บ้านสิบล้านหรือจะเช่าบ้านอยู่มันก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันจะรับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทหรือมื้อละห้าพันบาทมันก็อิ่มเหมือนกันจะใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยหรือชุดละห้า0มืมันก็เป็นเพียงเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายป้องกนันร่างกายจากภัยเช่นควหนัหนาหรือแมาลางสัตว์กัดต่อยต่าง ได้ประโยชน์เท่ากันจึงไม่ควรเสียเวลากับการหาปัจจัยศีลที่หรูหราที่ฟุ่มเฟอือยเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาอาหารคืออาหารของใจที่เรียกว่าบุญนี้ เราก็ทําไปตามอัตภาพของเราไม่มีความจําเป็นจะต้องทํามากเหมือนคนอื่นเขาทํากันถ้าเราไม่มีการทําบุญให้ทานนี้ท่านสอนให้ทําในส่วนที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองส่วนนั้นก็ให้เอาเงินทองส่วนนี้ไป ทำประโยชน์ให้แก่ผู้เพื่อที่จะทําให้ใจเราได้รับอาหารทําให้มีความอิ่มเอิบใจมีความสุดใจถ้าเราไม่มีจะให้แล้วเช่นนักบวชเช่นนพระที่มาบวชนี้ท่านก็ไม่มีปัจจัยเงินทองแล้วเพราะท่านสละให้ไปหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับการไปหาเงิน เพื่อที่จะมาทำบุญอีกต่อไปเพราะนั้นไม่ใช่เจตนาของการทำบุญการทำบุญนี่เป็นเหมือนการถอนสมอเรือถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราจะมีความผูกพันน่าจะมีความโลภอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็จะทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญานั่นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะออกเรือเพื่อไปสู่ฝั่งของพระนิพพานเราก็ต้องถอนสมอเรือเราก็ต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่มีความจาเป็นจะต้องพึ่งปลาอาศัยเก็บไว้ก็จะเป็นภาระถ่วงความเจริญทางด้านจิตใจแต่ถ้าเราให้หมดแล้วเช่นเราออกบวชแล้ว เราก็หมดหน้าที่เกี่ยวกับการให้ทานไปเวลาที่พูะเจ้าทรงสอนมรรคแปดให้แก่พระภิกษุท่านจึงสอนแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วนอกจากอัถบริการคือสมบัติแปดชิ้นของนักบวชเท่านั้นซึ่งจะให้ใครไปก็ไม่ได้เพราะจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายแต่สำหรับคารวะญาติโยมเวลาท่านสอนเรื่องของมรรคท่านก็จะสอนทานศีลภาวนาซึ่งก็เป็นเหมือนกับของพระต่างตรงที่มีทานเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึงทานก็คือการให้สมบัติเข้าของเงินทองส่วนภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่เองดังนั้นก็เหมือนกัน ต่างกันตรงที่สถานภาพญาติโยมยังมีสมบัติเข้าของเงินทองยังไม่ได้ถอนสมอเรือก็ต้องถอนสมอเรือก่อนส่วนนักบวชคือพระภิกษุสัมมเนนได้ถอนสมอเรือแล้วไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ทานอีกต่อไปยกเว้นว่าได้มาด้วยความศรัทธาของผู้อื่น แล้วมีเหลือใช้ก็แบ่งปันให้แก่พระภิกษุลืปอุ่นไปหรือจะเอาไปทำบุญทำทานที่ไหนต่อไปก็ได้แต่ไม่ให้แสวงหาราบสักการะต่างๆเพื่อมาทำบุญพเพราะจะไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงคือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อบวชแล้วก็ต้องไม่ต้องไปวิตกเรื่องทานต่อไป ได้อะไรมาก็สละไปไม่ต้องไม่ต้องเก็บสะสมเอาไว้ถ้ามีสะสมเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเป็นภาระที่จะต้องเอาไปทาบุญต่อก็จะเลยไม่ได้ไปปิติวิเวกไม่ได้ไปเข้าป่าไม่ได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำก็จะไม่ก้าวหน้าก็จะติดอยู่กับการ รับลาบสักการะแล้วก็เอาไปจาหน่าย จ, จ่ายแจกให้แก่ผู้อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้บวชใหม่แต่สำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เสร็จภา ร, รกิจการงานการปฏิบัติของท่านแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามีศรัทธาถวายเข้าของมากก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องดูแลจัด ก, การเอาไปแจกจ่ายให้เหมาะกับบุคคลต่าง อันนี้เป็นหน้าที่ของพระเทเะของพระผู้ใหญ่พระบวชใหม่นี้อย่าไปขวนขวายเรื่องลาภส ก, การ g ให้ขวนขวายเรื่องสมาธิปัญญาเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยศีลริข้อพยายามรักษาให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นฐานของการเจริญสมาธิและปัญญาเพราะเวลาจ ะ, จะเจริญสมาธิปัญญา ให้ได้ผลดีจำเป็นที่จะต้องไปปรีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงเช่นตามป่าตามเขาซึ่งก็จะมีสัตว์อันตรายต่างๆถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่กล้าไปจะมีความหวาดวิตกกังวลต่อวิบากของตน แต่ถ้ารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเวลาไปอยู่ในป่าในเขาจะไม่มีความวิตกกังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีสมบัติเข้าของเงินทอง mm. เช่นคารวะญาติโยม อ, อยู่เพราะเป็นเหมือนอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มีความสุขให้มีกำลังที่จะทำบุญขั้นที่สองขั้นที่สูงขึ้นไปก็คือการรักษาสิงเพราะผู้ที่ทำบุญอย่างสม่าเสมอจะไม่ชอบทำบาทนั่นเองเมื่อไม่ชอบทำบาปการรักษาสิงก็จะง่ายได้ต่างกับผู้ที่ยังไม่ไม่ทำบุญจะไม่ชอบจะชอบทำบาปผู้ที่มีความโลภยังอยากได้ทรัพมากอยู่ ก็ยังจะทำบาปเพราะความโลภที่จะได้ทรัพย์เช่นธรรมะห า, ากินนี้มีญาติโยมมาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่ารักษาศีลอยากเหลือเกินเราก็บอกว่าที่ยากก็เพราะเราโลภนั่นเองเราอยากได้เงินทองมากจนเกินไปถ้าเราไม่อยากจะได้เงินทองไม่อยากจะร่ำรวยธรรมะห า, ากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโกหก คนจะซื้อไม่ซื้อก็พูดไปตามความจริงไม่ต้องไปบอกเขาว่ากำไรนิดเดียวหรือว่าขาดทุนนี่ยคนจะซื้อเขาไม่สนใจหรอกว่าเรากาไรหรือขาดทุนเขาก็ดูราคาว่ามันเหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมเขาเาก็ซื้อถ้าไม่เหมาะสมเขาก็จะไม่ซื้อเราจะกำไรขาดทุนนี้เขาไม่สนใจดังนั้นถ้าคนเราไม่มีความโลภจริงๆ อยากจะได้เงินทองมากๆอยากจะร่ำรวยเราก็ไม่ต้องมีมีความจําเป็นที่จะต้องทําผิดศีลเช่นพูดปดพูดโกหกเราก็พูดไปตามความจริงเวลาจะรับปากรับคำก็พูดไปตามความจริงเช่นเขาต้องการของในวันพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไปดีกว่าไปบอกเขาว่าได้ และเวลาเข้ามาเอาของแล้วไม่ได้ก็ทำให้เขาเสียความรู้สึกไปเปล่าๆและทำให้เขาอาจจะไม่อยากจะกลับมาทำธุรกิจกับเราอีกต่อไปเพราะเราไม่มีสัจจะไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าเราพูดตามความจริงว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไปถ้าเขารอไม่ได้เขาจะไปซื้อที่อื่นก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเขาเขาเขาเป็นคนที่ฟัง ทำพูดของเราแล้วเขาเกิดความประทับใจในความมีศีลของเราเขาก็อาจจะรอได้ถ้าเขามีความมั่นใจว่าคำพูดของเรานี้เป็นไปตามความพูดคือเมื่อนัดวันไหนก็จะได้วันนั้นเขาก็จะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาและจะไม่เสียความรู้สึกนี่คือการทำมาหเกินของชาวพุทธเราถ้าเรามีความมากน้อยสันโดษ เราธรรมารกินโดยที่ไม่ต้องทำบาปได้รักษาศีลได้ผู้ที่รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีความโลภมักใหญ่ไฟสูงอยากย่ำอยากร่ำอยากรวยอยู่นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ทำบุญให้ทานกับผู้ที่ไม่ทำบุญให้ทานผู้ที่ทำบุญให้ทานเพราะไม่มีความมักใหญ่ไฟสูงไม่มีความโลภมาก ไม่มีความอยากล่อมอยากรวยก็จะมีเงินเหลือใช้อพอจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยสิ่งไหนไม่จำเป็นก็จะไม่ไม่ไม่ใช้เสื้อผ้าก็ไม่มีมากจนเกินไปจึงจึงมีเงินทองเหลือใช้แต่คนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยนี้เงินทองจะไม่พอใช้เพราะเห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้อ ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยถามตัวเองว่าจําเป็นหรือไม่พอเห็นอะไรแล้วชอบออกชอบใจก็อยากจะซื้อทันทีถ้าไม่ได้ซื้อก็จะเกิดความหนืดอยิหนื่ำคาใจก็ต้องไปซื้อจนได้ซื้อมาแล้วก็ไม่ไดเอามาใช้ซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ในตู้เอามาตั้งอะไรในบ้านเกตกะโลคลุมรังจะทำความสะอาดแต่ละครั้งก็ลาบากสู้อยู่แบบห้องว่างๆไม่มีอะไรดีกว่า กว่าถูห้านาทีก็เสร็จแล้วนี่คือความการกินอยู่ของคนที่มีความมากน้อยสันโดษจะอยู่แบบเรียบง่ายจะเอาเท่าที่จำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นก็จะไม่เอาถ้ามีก็จะไม่เก็บเอาไว้เอาไปทำบุญให้ทานดีกว่าจะได้หมดภาระไปจะได้รักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วเมื่อเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ เราก็จะไปปลีกวิเวกได้ไปอยู่ตามวัดได้บางคนไม่กล้าไปอยู่วัดเพราะกลัวผีไปอยู่วัดป่าก็กลัวสิงสาราสัตว์ก็เพราะว่าจิตใจไม่มีศีลที่บริสุทธิ์นั่นเองแต่สําหรับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จะไม่มีความหวั่นไหวตอบภัยต่างๆเพราะไม่มีเหตุเพราะตนไม่ได้ทําเหตุที่จะทําให้เกิดวิบากภัยนั่นเอง ส่วนภัยธรรมชาติหรือเรื่องของเรื่องของสุดวิสัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าจะมีสินแล้วไม่มีศิลถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนนั่งรถไปนี้คนมีศินก็ตายได้คนไม่มีศินก็ตายได้เรื่องเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของสุดวิสัยเรื่องของธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของวิบาก วิบากนี้จะต้องเกิดจากผู้ที่เขาจองเวรจองกรรมเพราะเราไปทำความเครียดแค้นให้เขาเกิดความอาฆาตพยาบาทเขาก็จะตามมาจองร่างจองผานอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมดันั้นคนเราเนื่อนตายได้สอ ง, สองเหตุเหตุหนึ่งก็คือวิบากกรรมทำบาป ก, กรรมมาและเหตุหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติของร่างกาย ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าผู้ใดเข้าใจหลักความจริงอันนี้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําบุญสะดละเคราะ์ต่างๆไปแก้กรรมด้วยวิธีต่างๆเพราะว่าการกระทําเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะแก้ได้นั่นเองทําอย่างไรก็แก้ไม่ได้ถึงเวลาจะตายต่อให้ไปทําบุญร้อยวัดมันก็ต้องตายอยู่ดี ต่อให้ถวายสังฆทานร้อยองค์มันก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาจะต้องตายดงนั้นเราอย่าไปกลัวความตายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญนอนานุสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างนะสิ่งที่ตายก็คือร่างกายร่างกายก็เป็นเพียงเครื่องมือที่อยู่อาศัย ของใจเทะนั้นสิ่งที่เป็นตัวเราของเราที่แท้จริงก็คือใจถ้าเรารักษาใจด้วยปัจจัยสี่ด้วยทานศีลสมาธิปัญญาใจก็จะไม่หลงใจก็จะฉลาดจะไม่ไปยึดติดกับร่างกายปล่อยวางร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่วิตกกังวล แต่ก็จะดูแลเต็มเต็มที่ตามความสามารถถ้ายังดูแลรักษาได้ก็ดูแลไปถ้าต้องหาหมอก็หาหมอหมอจะให้ทาอะไรก็ทาไปแต่เมื่อถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้ก็จะไม่ยืดเยื้อไม่ไม่ยื้ออีกต่อไปก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นเหมือนผู้ดูแลร่างกายเท่านั้นเหมือนกับเราดูแลสมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆซึ่งก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นรถยนต์เราใช้ไปใช้ไปต่อไปมันก็ต้องเสื่อมก็ต้องเอาเข้าอู่ต้องไปซ่อมต้องเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆแต่พอถึงเวลาหนึ่งมันก็จะซ่อมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ตอนนั้นเราก็ต้องขายทิ้งไปร่างกายก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่เราทาอะไรไม่ได้แล้วเราก็อยากไปยือมันปล่อยมันไปปล่อยแล้วใจจะเยน็นใจจะสงบใจจะเบาเพราะร่างกายนี้เป็นเหมือนก้อนหินที่เราแบกไว้บนบนบาของเราเวลาเราทิ้งก้อนหินออกจากบาไปแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องตายไปเราก็อย่าไปแบกเอาไว้อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยวางไปปลงไปยอมตายไปก่อนที่เราจะทำได้เราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนเช่นเราไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาก็เพื่อเป็นการไปเตรียมตัวซ้อมการปล่อยวางร่างกายนี่ ขั้นต้นเราก็ต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะถ้าเราไม่สงบใจเราจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยเพราะกิเลสจะคอยยึดเอาไว้คอยดึงเอาไว้แต่เวลาที่เราทำสมาธิจิตสงบกิเลสก็เหมือนถูกฉีดยาสลบไว้ชั่วคราวกิเลสก็จะไม่มีกำลังที่จะไปยึดติดกับร่างกายเวลาเราพิจารณาออกมาจากสมาธิ แล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเป็นกองทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไปยึดไปติดพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างนี้เราก็จะปล่อยเราก็จะปลงพอเราปล่อยถ้าเรามีสมาธิกิเลส ก, ก็จะไม่มีกําลังมาต่อต้านจะมายึดติดกับร่างกาย เราก็จะตรงได้ปลอยได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาเราไปเผชิญกับภัยจริงๆก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะดับความกลัวนั้นได้แต่ถ้าเรามีสมาธิและมีปัญญาพอเราไปเผชิญกับภัยภั ย, ภยอันตรายเราก็จะสามารถตรงได้ปลอยได้เพราะใจมีกำลังใจมีปัญญา ใจรู้ว่ายึดติดจะทุกข์ทรมานถ้าปล่อยแล้วจะเย็นจะสบายนี่คือการปฏิบัติการดูแลรักษาใจด้วยปัจจัยสี่คืออาหารได้แก่การให้ทานสีนก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์เสื้อผู้ที่มีสีนี้จะเป็นผู้ที่สวยงาม คนเราที่ความสวยงามของคนเหล่านี้ต้องสวยด้วยศีลธรรมไม่ได้สวยด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หรือการแต่งหน้าทาปากวีเท่าวีผมแต่สวยงามด้วยศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองอิบเจอันนี้แหละที่ทําให้คนเป็นคนน่าชื่นชมยินดีอย่างเรากาบพระหรือกับพระพุทธเจ้า กเพราะว่าเรากราบมีศีลของท่านเราไม่ได้กราบที่สรีระร่างกายของท่านร่างกายของท่านก็ไม่มีอะไรมีแต่ศีษะนล้นโลนผมผ้าผืนหนึ่งเท่านั้นเองที่เรากาบพระกาบพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเรากาบความสะอาดบริสุทธิ์ของศีลธรรมของท่านคนเราสวยงามจึงต้องสวยที่ศี่งถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะเป็นที่รักที่เคารพ ของบุคคลทั่วไปส่วนสมาธิก็คือที่หลบภัยเวลาเกิดความทุกข์ใจแล้วยังไม่มีปัญญาที่จะดับความทุกข์ใจได้ <c oughs> ก็ใช้สมาธิเป็นที่หลบไปก่อนชั่วคราวเวลาเกิดความวุ่นวายใจถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจก็จะหายจากความวุ่นวายใจหายจากความทุกจากเรื่องราวต่างๆแต่เป็นการ หายชั่วคราวเพราะเวลาออกจากสมาธิแล้วไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้อีกถ้าอยากจะดับความทุกข์วุ่นวายใจได้อย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจะเกิดความเดือดอร้อนใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพอพบกับเหตุการณ์อะไรก็จะใช้ใจรักนี่เข้ามาแก่เช่นเราจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะใช้ใจรักว่ามันเป็นของธรรมดา ของที่เรามีอยู่นี้มาแล้วก็ต้องไปเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนถ้าเรายึดติดเราหวงเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์เช่นวันนี้ญาติโยมไม่ได้ทุกข์กับเงินทองที่สูญเสียไปที่เอามาถวายวัดที่มาทำบุญเข้าของต่างๆวันนี้ญาติโยมเสียไปเป็นของที่รักเงินทองมีใครบ้างไม่รัก แต่วันนี้กับไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะยินดีที่จะให้ยินดีที่จะเสียนั่นเองเวลาที <balances. S 1> <Dominican. S 2> ่เราจะเสียอะไรถ้าเรายินดีที่จะเสียแล้วแทนที่จะทุกข์ใจเราจะมีความสุขใจ <S <S การที่มาทําบุญนี้ก็เป็นการมาซ้อมก่อนมาซ้อมปล่อยวางซ้อมเสียสละรัพั์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะในที่สุด วันสุดท้ายของชีวิตเราเราก็จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราเคยซ้อมเคยให้เคยปล่อยวางเราก็จะปล่อยได้อย่างสบายใจเราก็จะจากซบพัส์สมบัติเข้าขอ ง, ของเงินทองต่างๆไปได้อย่างสบายเพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอด นี่คือเรื่องของปัญญาเป็นยารักษาโรคใจได้อย่างถาวรสมาธิเป็นเพียงที่หลบภัยชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านที่เราหลบแดดหลบฝนแต่จะรักษาความทุกข์ใจให้หายอย่างถาวร น, นี้เราต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาราบยศสำลักเสริญรูปเสียงกลิ่นรสว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราว่าเป็นทุกข เพื่อเราจะได้ไม่ไปยินดีไปแสวงหามีแต่จะพยายามปล่อยวางพยายามจะตัดไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับร่างกายของเราถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ว่าหุ้นขุนมัวจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็ดีหรือของเราก็ดี ร่างกายของคนอื่นหรือร่างกายของเราก็ดีเมื่อมีอันเป็นไปจะไม่ทำให้จิตใจของเราทุกข์วุ่นวายใจเลยนี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยปัจจัยสี่ของธรรมก็คือทานสีสมาธิและปัญญาที่พวกเราควรพยายามเจริญให้มากทาให้มากเพราะจะ ดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างนุงง่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้ดูแลด้วยปัจจัยสคือทานศิลสติทานศีลสมาธิและปัญญาแล้วใจของท่านจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรแล้ว ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันป็นขอฝากเรื่องของการมาดูแลทำนุบำรุงรักษาใจด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป